ไม่ปล่อยให้คนรอเรียกว่ามีแก่ใจให้เวลาเป็นทานทำทานง่ายกว่าที่คิดคุณมีความสุขได้ง่ายกว่าที่คาดเมื่อเจริญสติจนเข้าถึงกลไกการทำงานของจิตคุณจะบอกตัวเองซ้ำๆว่าเรื่องง่ายๆของตัวเองแค่นี้ทำไมไม่รู้มานเสียตั้งนานแล้วอย่างเช่นที่หลายคนชอบบน่นปนน้อยใจว่าไม่ค่อยได้ทาบุญ ไม่ค่อยมีโอกาสให้ทานเพราะไม่มีเงินความจริงคือแค่มีใจก็ให้ทานได้มากมายมหาศาลทุกวันแล้วยกตัวอย่างเช่นเห็นเขามานั่งรอคุณช้าได้แต่ไม่ช้าหรือคุณมีสิทธิ์ปล่อยให้รอได้แต่ก็ไม่ปล่อยนั่นก็เรียกว่ามีแก่ใจให้เวลาเป็นทานแล้วยกตัวอย่างชัดขึ้นแบบที่เห็นกันทั่วไป การถอยออกจากที่จอดรถยังรู้ว่ามีคนจอดรอเข้าเสียบแทนถ้าเอือยเฉยแกล้งเคลื่อนไหวช้าๆให้เขารอนานๆด้วยความรู้สึกว่าตนมีอำนาจทำให้คนอื่นเสียเวลารอได้อาจเคยชินที่จะแสดงอิทธิพลหรือตรงข้ามอาจเป็นการระบายความเก็บกดที่ถูกคนอื่นบังคับให้เป็นฝ่ายรองมาตลอดแก้แคนคนทาไม่ได้เลยต้องเอาคืนจากคนไม่รู้จัก สำหรับคนเจริญสติจนเห็นความดิบทำนองนี้ในตนสติที่เจริญขึ้นจะปรุงแต่งจิตเส้ใหม่เปลี่ยนสภาพอากุศลให้กลายเป็นกุศลเจนเอใจคิดขึ้นมาว่านี่เราจะไปแกล้งเขาทำไมตาเราเราก็อยากเข้าจอดเร็วๆ เ, เหมือนกันจากนั้นก็เกิดแรงผลักดันทางกายให้รีบกุลีกุจอเก็บข้าวของธรรมะธรมแงขึ้นเคื่อนรถออกให้เขาเข้าจอดทานเร็วขึ้น แล้วกลายเป็นนิสัยใหม่สร้างความเคยชินใหม่ไม่อยากเห็นใครร อ, อนา น, านๆไม่อยากบริหารอำนาจเถื่อนๆพอทันจิตเกิดขึ้นเป็นปกติจะมีอาการประมาณว่าเห็นใครมาจ่อรอเข้าจอดก็นึกดีใจด้วยเขาคงรู้สึกแบบเดียวกับที่เราเคยรู้สึกโชคดีแล้วรีบสละแรงขมีขมันเพื่อให้เขาได้เข้าที่จอดโดยพลัน จากเดิมเขาอาจต้องรอครึ่งนาทีแต่จิตที่เป็นทานของเราทำให้เขารอไม่ถึงส5วินาทีเท่านั้นส่วนต่างของเวลานั่นแหละคือการทาบุญทาทานของเราแม้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าสังเกตที่ใจก็จะเห็นว่าใจปลื้มเป็นสุขเป็นคนที่เห็นว่าเวลามีค่ากว่าเงินป้องกันอัตตามานะเถื่อนเถือนดิบๆได้สลัดความตรณีที่ครอบงาใจทิ้งได้ ตรงนั้นคุณจะทราบซึ้งว่าการทำอะไรให้คนอื่นแท้จริงก็คือทำให้จิตตัวเองเป็นกุศลเกิดความสุขได้เป็นปกติกับทั้งเข้าใจจริงๆว่าเหตุใดการเจริญสติจึงต้องทำทานเป็นบาตรฐาน